ละมือข้างหลังเขาถามเพราว่าถ้าสมมุติพุทธเจ้าเสด็จมาแต่คนนี้มือคุณอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ขณะเดียวคุณเอามือไว้ข้างหลังเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงอะ่ะคุณมือคุณไม่อยู่ข้างหลังมือคุณอยู่ข้างหน้าคุณจะเชื่อพุทธเจ้าไหมเออจากหลังเลงบอกไม่เชื่อไม่เชื่อคุณเป็นบาปนั้นมันไม่จริงอะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มี ว่าใครจะมาครอบงำได้มันคือความจริงวันนี้ครับเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะเชื่อใครเชื่อตัวเองเพราะอะไรเพราะมันรู้ด้วยตัวเองไง่ไแต่พระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่สิ่งที่เราสัมผัสได้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทําไ ม, ไมเพราะฉะนั้นการที่เราไปมุ่งเจาะคําอสอนคนนั้นคนนี้แล้วเราไปเชื่อแต่ว่าไม่เห็นสภาวะความจริงในตัวเองเ น, น, นี่ยอันเนี้ยนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้เชื่อท่านนะ แต่ให้เชื่อความจริงที่เราสัมผัสได้เพราะนั้นวิธีการของผู้เรียนท่านจึงเน้นให้ทําด้วยตัวเองคุณไม่ต้องไปเชื่อใครแม้แต่งที่ฉันพูดเนะี่ยคุณไม่ต้องเชื่อนะแต่คุณไปทําให้เป็นคุณไปพิสูจน์ด้วยก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือจุดเด่นของพุทธศาสนาในกาลาม่สุดแต่ท่านมันจะบอกไม่ให้เชื่อนะคุณไปพิสูจน์ด้วยก่อนค่อยเชื่อถ้าคุณพิสูจน์แล้วเนะี่ยมันไม่ใช่ค่อยเชื่อนะนั่นเองเรามาจับ ในวิธีการของพระงรถเทีนเนะี่ยในจับวิธีการกเน้นรูปน้ำคือคจริงมันก็เป็นเป็นดินชั้นหนาเนะี่ยคุณเจาะตรงเนี้ยคุณโบราณเวลาเขาจะขุดบ่อน้ำเนะี่ยมาก็าเคยทำนะอย่างในบ้านนี่ยรู้ว่าตรงไหนมันมีน้ำจะทำไงเพราะว่าไม่ต้องอาศัยกลุมทรั์ไปสำรวจนะโบราณเขาก็บอกว่าคุณเอาอไปถาก ดินตรงนั้นให้เกลียกล้ยงเ ก, เกลี้ยงเก่าเก่าเรากระมังหรือเอาชามอ่างไปืครบไว้บริเวณนั้นแล้วเอาดินที่เราขุดออกมาโปะๆทมตีนมันนะทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วตอนเช้าไปพิกดูถ้าไอ้ก้นอ่างเนี่ยมันมีไอน้ําจับหรือมีหยดน้ําจับเต็มนะแสดงว่าตรงนั้นขุดเปิดเจอน้ำํำเป็นตาน้ําผ่านเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งถ้าคุณไปทํา ไปทำแล้วเปิดออกมามันแห้งแขงแะเนี่ยแสดงว่าจุดนั้นไม่มีน้ำเอามาเองก็ทำแบบนั้นขุดเคยขุดบ่อในบ้านขุดบ่อในบ้านก็ก็เจอก็อ เ, จออเจอน้ำนะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะรู้ว่าจุดไหนที่เจาะไปแล้วมันถึงสภาวะทำเนี่ยเราก็มีจุดส้งรวจเหมือนกันแม้ว่าเราจะมองเห็นใต้ ดนไม่รู้ลึกกี่เมตรเนี่ยมันมีน้ําเนี่ยแต่มันมีสิ่งบอกอก็คือไอ้น้ํามันจะขึ้นมาขึ้นมาถูกนั้นเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราจะเจาะไปสู่สภาวะลึกที่สุดของจิตของเราเนี่ยว่าจิตของเราเนี่ยมันมันเกิดมาอย่างไรถึงมาสร้างมาสร้างกายหรือใจของเราเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาแล้วมาสร้างกายจริงๆแล้วเนี่ยระหว่าง อันนี้ออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะระหว่างผลไม้กับเม็ดผลไม้เนี่ยอันไหนสร้างอันไหนเม็ดสร้างผลหรือผลสร้างเม็ดนี่ปัญหาเดียวกับไก่กับไข่นะไก่สร้างไข่เม็ดข้างากอแต่ยังมีผลอ่าก็มีผลแล้วผลไว้สร้างเม็ดอีกทีหนึ่งใช่ไหมนี่เขาเลยอันยะมันยกปัจจัยตอนแรกอาศัยเม็ดสมมุติอเอาก่อนที่จะ สร้างต้นมะขามเอาเม็ดมะขามมาบ่มก่อนใช่ไหมเสียจแล้วพอมะขามโตมันก็ต้นมะขามนี่สร้างอะไรทีหนึ่งก็สร้างเม็ดอีทีหนึ่งแล้วก็เม็ดมะขามไปปลูกอีกก็สร้างต้นมะขามนี่เขาเรียกว่าสร้างซึ่งกันอะไรกันถามว่าการเกิดกับการดับเนี่ยตัวไหนสร้างตัวไหนรูปกนำนามะตัวไหนสร้างตัวไหนกายกับใจเนี่ยตัวไหนสร้างตัวไหนเนี่ย เราบอกไม่ได้นะว่ารูปสร้างน้ำน้าสรุปสร้างซึ่งกันอะรกันเหมือนเมล็ดกับผลไม้สร้างซึ่งกันอะรกันแต่ไอการที่มันสร้างซึ่งกันอะรกันเนี่ยมันก็เป็นขบวนการเป็นวงจรที่หมุนอย่างเนี้ยสร้างกันไปเป็นวงจรปฏิสัมพันธ์กันตลอดการดํารงของการสร้างปฏิสัมพันธ์ตรงนั้นอันนี้เป็นภาษาเข้าใจการดํารงของการที่มันสร้างสืบต่อหนั้นเขาเรียกว่าชีวิตนะเรียกว่าชีวิต หรือว่าหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยตัวไหนสร้างตัวไหนหายใจเข้าสร้างหายใจออกหรือหายใจออกสร้างหายใจเข้าหายใจเข้าสร้างหายใจออกาแล้วหายใจออกมาจากไหนก็มาจากหายใจเข้าก็จะหายใจเข้าเพราะนั้นเราจะว่าในเดียวไม่ได้อันยะเขาเรียกอันยะมันยะปฏจโยเวลาพระสวดอันยะมันจะปฏิโยเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันถ้าไม่มีหายใจออกหายใจเข้าก็ไม่มี ถ้าไม่มีหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีดำรงชีวิตของเราดำรงอยู่ด้วยกันหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจออกไม่เข้าตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายดับแล้วไม่เกิดก็ตายเกิดแล้วไม่ดับก็ตายเราดำรงอยู่ด้วยกันเกิดดับของความจริงตาเราพับแล้วไม่ไม่ไม่เปิดก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นแล้วเปิดแล้วไม่พับ ไปไงก็ไม่เห็นเดียกันนั่นแห้งแสบไม่ได้เห็นนีเหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือการเกิดดับมันจะสร้างความเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แต่ว่าการเกิดดับชั้นรูปนามเนี่ยถ้าท่านให้ดูรูปนามให้เห็นการเกิดดับชั้นรูปนามให้ชัดชัดเสก่อนนะแต่ถ้าเราเห็นการเกิดดับในระดับรูปนามไม่ชัดเนี่ยพอไประดับนามรูปหรือนามเนี่ยก็จะไม่ชัดเหมือนกัน เพราะนั้นการปฏิบัติจึงเริ่มต้นด้วยสมถะเพื่อที่จะมาเห็นการเกิดดับของในระดับรูปนามให้ชัดคำว่ารูปนามเน่อันไหนเป็นเกิดอันไหนเป็นดับระหว่างรูปกรรนามรูปกรรนามตัวไหนสมมุติว่าเป็นเกิดดับคำว่ารูปกรรนามตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับอืมอันนี้จะอันนี้จะเจาะไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น ระหว่างรูปสมมติรูปกำนามเป็นเกิดเป็นดับพอความจริงรูปน้ำนั่ก็คือมาจากการเกิดดับแต่มันชั้นเปลือกนอกม า, มากๆเลยอะ่ะทีนี้เราจะเจาะเจาะเจาะเจาะเจะลงไปให้ถึงนี่ของมันแต่วันนี้จะเจาะถึงไม่ถึงไม่รู้นะเอาเจาะตรงนี้ว่าคำว่ารูปนามก็มาจากการเกิดดับแต่ตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับระหว่างรูปกำนาำลองตอบดูอย่าไปกลัวผิดสิ <S <S นามเป็นอะไรก็เกิ แล้วรูปอะโยงชมพนเห็นได้ไห ม, มไม่ถามว่าอันไหนเกิดกันถับเรืไม่ตองอธิบายอ เ, เออรูปคำนามตัวไหนเป็นเอตัวไหนเป็นดบนา ม, มดนามเกิดแล้วรูปอะเยอะอยานะให้ยายใสนะถึงยายใสแุกพวกขึ้นมาแล้วพวกเจ้านะี่ยนั่งไงเลยนะเ <laughs> นี่ยยายใส รูปกับนามตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับ ร, รูปเป็นเะไ ร, ร, น, น, รนามว่าแล้วตัวเจ้าหงายเลย <laughs> รูปเป็นตัวเกิดนามเป็นตัวดับเพราะอะไรเพราะรูป ม, <laughs> มันเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุก ข, ขังหน้าตา น, <laughs> นานเห็นไหมหงายเลยแหละ <laughs> แต่นามมันไม่ไปตามเกิดไม่ไปเกิดตามหลักของอนิจจังโลกสังตเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นตัวเกิดนามจึงเป็นตัวดับ แต่รูกกับนามก็สร้างซึ่งกันอะกันอ่าเหมือนกับเม็ดมะขามสร้างตุลมะขามตุลมะขามสร้างเม็ดมะขามนั่นแหละนี่ครนั้นการเกิดดับระดับหยาบสุดคือระดับรูปนามเพราะฉะนั้นการดูรูปนามเลยเห็นการเกิดดับไหมเราจะดูเกิดดับแล้วก็ามาดูที่รูปนามซะก่อนถ้าเลยจะไปดูเพ่งดูหาการเกิดดับรูปนามพวกเจ้ายังไม่เห็นเลยจะเห็นการเกิดดับนั้นนี่นีนนน่เห็นไหมที่ถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้ชัดๆนะเราก็จะ ไปศึกษาไปเรื่อยๆแต่ให้เห็นนะให้เห็นรูปนามถามว่าตอนนี้เห็นได้ยังรูปนามเป็นอย่างไรเห็นการเกิดดับของรูปนามได้ยังโยมสํา ร, รองตั้งแต่นั่งมาเนี่ยครึ่งชั่วโมง ไ, มได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วน่ะพิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากี่ครั้ง <laughs> เห็นการเกิดดับบ้างไหม<ง> <laughs> <laughs> นั่นแ่ะเจ็บเขาเขาเจ็บรู้ว่าความรู้สึกมันเจ็บ ควาหูศ nah ึกเจ็บา um ึกเจ็บเขามูสึกเจ็บนี่นเป็นรูปหรือเป็นนา้ําเขามูสึกเจ็บอะเป็นดูหรือเป็นนามเจ็บเจ็บอ่มันยังเจ็บเจ็บมันมาจากใสเจ็บเนี่ยมันมาจากไสเจ็บอ่ามันมาจากใส เพราะเข่าไปรูปหรือไปน้ำเป็นหูเพราะฉะนั้นเจ็บเป็นหูหรือไปน้ำเจ็บในมักต้องเป็นเรานะอย่าให้ผิดอย่าให้ผิดตรกะนะอย่าให้ผิดตรกะนะว่าความเจ็บมาจากเข่าเข้าไป็รูปเพราะงั้นความเจ็บต้องเป็นอะไรด้วยโอก็ต้องเป็นเป็นหูการนั่นเนอะมันต้องพิจารณาให้ดีอันนี้มันตอบผิดตรกะไม่ได้นะอ่าอมันเป็น เป็นอะไรเป็นลอจิกเป็นลอจิกเราจะรู้ว่ารูปรู้สึกเจ็บรู้สึกเป็นรูปหรือเป็นนามรู้สึกเป็นนามเจ็บเป็นรูปเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกเจ็บก็คือก็คือคือรูปนามรู้สึกเป็นนามเจ็บเป็นรูปเพราะนั้นมารวมกันรู้สึกเจ็บก็คือรูปนามเราเห็นรู้สึกเจ็บหรือเราเห็นเป็นเราเป็นผู้เจ็บ เขาเหวี่ยเจ็บแท้ยังไงเราคานแต่ที่เาเปลี่ยนเท่าไหร่ก็บอกหายแจ็คเทือนี่อันนี้เขาเห็นเขาเป็นรูปเป็นนา ม, มันก็จะเกิดความคิดเห็นบอกแต่นี่เขาเห็นเชื่อรู้สึกโบราณเขาเปลีป่ยนแค่เราต้องคิดหน่อยี่น่ะโดยความคิดโดยค <laughs> วามคิด<ม>นั่นเห็นไห ม, มถ้าเร า, า<อ>กเกิดคิดเรามาเปลี่ยนเบื้องมนันสิบสาเอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวก็สักฟ้ากขึ้นอีกนันว่ะล่ะนั่นเนาะรูปมันก็ เป็นไปตามกฎของเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่สบายเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปก็เกิดใหม่อีกเพราะมันไม่มีตัวอ่ามันไม่มีตัวมันถึงเกิดใหม่ได้แต่ถ้ามันมีตายตัวมันจะไม่เกิดอีกเพราะมันมันตายแล้วก็แล้วไปมันเกิดแต่ที่มันไม่มีตัวมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดเอาตัวเกิดกับตัวดับออกมันก็เหลือแต่อะไร ก็เป็นอนาตตาไม่มีตัวอยู่ที่ว่าเป็นอัตตาเพราะมันมีเกิดก็มีดับก็มีเราเป็นผู้เจ็บนึกคิดว่ารู้สึกเจ็บแต่ถ้าเรามีตัวรู้อีกตัวหนึ่งนะตัวรู้ที่ำทําให้เจ็บเนี่ยตัวรู้ของรูปหรือตัวรู้ของนามอิมเมชั่นแต่ว่าผู้สึกอ บ, mind, บุ๋มเองคนเชิดบุ๋มเองคนเชิดบไม่องคนเชิดเตะบันนี้อ oh ันนั้นเขาจะเทียงกันว่าไม้กับห r emotion คือกันบ่อืมบ่คือกันว่า everything come out from the the mind d อันน e r i n เน่ะนั้น the mind the brain the heart plus t h ร brain บ้ม c o m มเจ้ามันมันอันเดียวกันบ่สอันนี่โอ้นละอันละเจ้าพอภาษาไทยกังงผัวแหงหรือไปภาษาอังกฤษแหงงนักก็เก่าเยอนพรานั่นบอกภาษาไทยเวลาคนนันคือท่านแปลว่ามันคานเปลีนกับประนานระหว่าง western mind and a s i a n mind มีเวทมี มีเวทมีเวทมีอีดไม้มขึ้นกันดิ <laughs> มันก็นไม้เดียวกันนะว่าเขาสมมติว่าไม้เดียวกันเอาละที่นี่มาการณีของหลวงอโอเคมาการณีของหลวงพ่อนะว่าระหว่างความรู้สึกกับความเจ็บเนี่ยแต่ความรู้สึกที่มันเกิดจากรูปเขาเรียกว่ารูปนามแต่ความรู้สึกอีกอันหนึ่งไปเห็นความรู้สึกเจ็บเนี่ยใครเป็นผู้เห็น ความรู้สึกเจ็บของโยมมีอยู่กับความรู้สึกของกระตามาก็มีอยู่ใช่ไหมแต่กระตามาเห็นของโยมไหมไม่เห็นโยมเห็นแล้วกระตามาไหมไม่เห็นแล้วใครเป็นผู้เห็นนะจิตจิต <c oughs> เออจิตกับนามเป็นเดียวกันไหม <c oughs> ถ้ารูปเจ็บจิตต้องเจ็บด้วยไหม อืถ้าสมมติเจ็บเข่าเยนี้รู้สึกปวดเจ็บเข่าเนี่ยนะรูปต้องเจ็บด้วยไหมถ้ารูปเป็นนามอะเออถ้าจิตเป็นนามอะเพราะรู้สึกมี่ิกี้หลวงพ่อบอกว่ารู้สึกเจ็บเนี่ยรู้สึกเป็นนามใช่ไหมแล้วเจ็บเป็นรูปนะแต่ถามโยมว่าจิตรู้รูปนามะนี่ใช่ไหมในเมื่อจิตรู้รูปนามะนี่ถ้ารูปนามะนี่มันเจ็บจิตต้องเจ็บด้วยไหม <laughs> นามเจ็บเอานามข้อนามมันเป็นนามมันจะเพียบได้ไงเพราะมันไม่มีรูปอะผู้ที่ผู้ที่เจ็บคือรูปใช่ไหมอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ไปรู้เจ็บเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาที่เป็นจิตเป็นส่วนหนึ่งของจิตเพราะจิตเนี่ยมันมีห้าใช่ไหมรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดไม่ได้เจ็บแต่เวทนาเท่านั้นเจ็บเพราะฉนั้นมันก็เหลืออีกสี่มันคือเหลืออีกสามที่เวทนากับกายเนี่ยเจ็บเขาเร later, ียกรู้สึกรูปเจ็บเวทนารู้สึกรู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เจ็บนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตแต่ไม่ใช่จิตทั้งหมดมันจะเหลืออีกสาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมมันคึอไม่ใช่จิตเจ็บ แต่เวทนาส่วนหนึ่งของจิตมันเจ็บแบ่งออกมาแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรรู้สึกฉันไม่ชอบเลยนะเจ็บแบบเนี้ยหลวงพ่อมันนั่งพูดเสียเวลาทําไมฉันจะไปรีบไปนอนมันไม่พอใจนี่จิตเจ็บทั้งหมดเลยทีเนี้ยสัญญาก็เจ็บเวทนาก็เจ็บสังขารก็เจ็บมันเจ็บทั้งหมดเลยนี่ที่จิตเจ็บจิตเจ็บแต่เมื่อมันมันมันไปยึดถือว่ากายนี่ของเราแล้วก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาจิตเจ็บทั้งหมดเลย แต่ถ้าหากว่ารู้ อ, อันนี้สัจธรรมนาความรู้สึกพอใจก็ไม่มีไม่พอใจก็มีรู้เฉยๆตัวนี้จิตไม่เจ็บเพราะมีตัวอะไรกั้นอยู่เพราะจิตอาจจะเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้ใช่ไหมในกรณีมันเจ็บเพราะอะไรไปไปทำให้มันเจ็บในกรณีที่มันจิตไม่เจ็บกับรูปอันนี้เพราะเหตุอะไรจึงไม่รู้สึกเจ็บจิตอะ เพราะมีตัวอะไรเข้าไปกั้นอยู่ตัวนี้เขาเรียกวิาวชาและอวิชาามภาษานะถ้าเรามีวิชาจเจริญสติปัญญามาเราก็รู้อ๋ออันนี้เป็นเวทนามันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บแต่ถ้าไปเผลอว่าเวทนานี่เป็นเราเข้าโอ้กูเจ็บกูปวดกูรู้สึกไม่สบายเป็นกูเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เจ็บทั้งหมดเพราะอาวิชาเข้าแล้ว อีกนอน้มันเข้าแล้วเราอีกนอนต่อความรู้สึกเวทนานี้มันจึงไปสําคัญผิดเป็นเซล์ขึ้นมาเป็นเซนซิงแล้วนี่การเซล์มันจะกคำว่าเซนซิงเซนซิงสาคัญว่าเซนซิงนี่เป็นเราแล้วพอสําคัญเป็นเราปา้ามันกลเป็นเซลอ่าเพราะฉะนั้นพอเซล์ตัวนี้จึงไม่ขึ้นกับเป็นผลรวมของฮาร์ดของเบรนของไม่เวิร์กร่วมกัน วัตถุเกิดตวลงกัรนิรกายเป็นเซลล์ขึ้นมาก็เป็นอัตตาเพราะเรามีอัตตาเพราะเราไม่สามารถจำกัดความรู้สึกไว้เฉพาะเวทนาเข้าใจนะจะลำดับไปตามลำดับแต่อาจจะใช้ภาษาหน่อยแต่ถ้าเมื่อไรเราจำกัดความรู้สึกว่าที่เวทนาไม่ให้ลามไปสู่สัญญาสังขารวิญญาณตัวความรู้สึกที่จำกัดอยู่เวทนาเจ็บเรียกว่าสติสัมปชัญญะ แต่ถ้าเวทนันถ้าสติความรู้ตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งพอความรู้สึกเจ็บที่เขานี้ก็จะทะลุไปทงังไปทั้งจิตจิตก็จะรู้สึกพอใจไม่พอใจตัวนั้นกลายเป็นเซลลขึ้นมาอืมน่าคิดนะทีนี้ในกรณีที่รูปนามเนี่ยทางานร่วมกันแต่ขาดตัวรู้ตัวรู้นี่เป็นนามก็จริงแต่เป็นนามที่ฝ่ายวิชา เพราะนามฝ่ายอาวิชาก็มีใช่ไหมนามฝ่ายอาวิชาก็คือตัวรู้ผิดอวิชามไม่ได้แปลว่าไม่รู้นะมันรู้ผิดอ่ามันรู้ผิดไปรู้ว่าเวทนาที่เป็นตัวเราแต่ความจริงความรู้สึกนี้ก็เป็นแต่เวทนาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาแต่เราไปสําคัญเวทนาเป็นทั้งหมดมันจึงเป็นอวิชาเพราะรู้ผิดแต่ความจริงๆริงของมันคือเวทนานี้เป็นส่วนหนึ่ง ของจิตไม่ใช่จิตทั้งหมด ล, ลักษณะรู้อย่างนี้เป็นวิชาเราก็จึงมาเจริญตัววิชาคือตัวรู้ให้มากขึ้นเพราะว่าที่เราทุกมาตลอดเราไปสําคัญตัวรู้สึกเวทนาเนี่ยเป็นเราเขาว่าเราฉันรู้สึกชอบอาหารในฉันรู้สึกชอบฉันต้องกินเยอะๆเราไปสําคัญว่าอาหารนี่อร่อยใช่ไหม เราไปคิดว่าอาหารนี่จะทําให้เราดีเราอ้วนเราเข้มแข็งเรามีพลังไปสําคัญอาหารว่าเป็นเรามันก็เลยไปกินอาหารความไม่หรือเพราะความไม่รู้กินอาหารด้วยความอยากแต่ถ้ากินอาหารด้วยความหิวเนี่ยพอกินนิดหน่อยมันก็อิ่มแล้วหายหิวเลยใช่ไหมเพื่อดารงอันนั้นเป็นธรรมคือรู้ความพอดีว่าเอออาหารธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันดํารงอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นก็ใส่อาหารเข้าไปมันพอดี แต่ถ้าเรามันอิ่มเกินไปนี่มันเกินพอดีตรงนั้นก็เราไปเห็นอาหารว่าเป็นเราความทุกข์ก็เกิด น, นะดังนั้นตัวการเกิดดับที่มาจากสิบมันส่งทอดกันเหมือนกับคลื่นใหญ่ๆเนี่ยวจะมันไปคลื่นใหญ่ๆเนี่ยมันส่งทอดคลื่นเล็กๆมากระทบแล้วก็มีลมตามมาด้วยถ้าหาคลื่นนี้ถ้าไม่มีลมกระแทกคลื่นเล็กก็ เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็จบเกิดแล้วก็จบใช่ไหมแต่ถ้ามีลมตามเข้ามาด้วยเนี่ยขึ้นเล็กๆกลายมันขึ้นใหญ่ๆๆขึ้นมาเหมือนกันขึ้นของการเกิดดับที่อยู่ในเล็กๆเนี่ยมันทํางานต่อเนื่องมันก็ส่ ง, ส, ง, ส, งส่งต่อขึ้นมามาเป็นรูปนามมันนี้เป็นขึ้นใหญ่เลยเป็นขึ้นแห่งความทุกข์เพราะเราไม่มีความรู้ที่เป็นวิชาเพราะนั้นคือจุดมาสร้างตัววิชาคือสร้างตัวรู้ พราอเราไปสำคัญตั ว, ต, วตัวรู้เวทนาว่าเป็นเราปับ๊บเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเส้นขี้เกียจแล้วก็ใจก็จะไม่อยู่ละมันจะไม่อยู่ตรงนี้เพราะมันไปเห็นมันไม่เราไม่รับความจริงความจริงในขณะนี้นคือปวดคือเมื่อยคื อ, อไม่สบายใจเนี่ยไม่สบายกายมันใจก็จะไม่อยู่ละใช่ไหมมันก็จะไปสร้างไปคร er ีเอทอาเธอเรียมไปสร้างพบใหม่การสร้างพบใหม่คือสร้างความคิดนั่นเอง แต่ความคิดนี่มันมีสองลักษณะหนึ่ ง, ง ค, ความคิดที่สร้างเป็นอิเมจขึ้นมาสองความคิดที่สร้างเป็นความรู้สึกเช่นรู้สึกพอใจไม่พอใจข้ามาจากความคิดความรู้สึกพอใจพอไม่พอใจเนี่ยมันไม่มีภาพแต่เมื่อไรความรู้สึกพอใจเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นก็มันก็สร้างอิเมจขึ้นมาสร้างถึงคนที่เราชอบไม่ชอบแต่ความรู้สึกที่มันพอใจเนี่ยมันก็สร้างอ อิมเมขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เป็นสังขารปรุงแต่งไปเรียกว่าการเกิดเรียกว่าการดับพอให้เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการรู้รูปนามคือรู้เรื่องของสมถะเนี่ยเราก็จะเห็นการเกิดการดับแบบเป็นคู่เป็นคู่เป็น ค, นคู่เป็นคู่ในร่างกายของเราเนี่ยชัดใช่ก่อนถ้าเห็นชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะถอนความไม่รู้ คือรู้ผิดออกไปว่าตลอดเวลาที่มันนี่เ ป, นเป็นเพียงขึ้นของความรู้สึกเรารู้ถูกพอรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปเคลื่อนไหวตลอดเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของอะไรการเกิดดับไม่ใช่เคลื่อนไหวของเราแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาก็คิดว่าการเคลื่อนไหวของเราเราเคลื่อนไหวขึ้นมาปับ๊บ นั่นคือเหตุทุกข์นะดังนั้นไอ้ช่วงแรกที่เราสร้างจังหวะยกมือนี้เพื่ออเพื่อให้สั่งสมตัวของการเกิดกับดับเท่านั้นเองเมื่อไดเอาเกิดออกดับก็ไม่มีเมื่อไรเอาดับออกเกิดก็ไม่มีก็เป็นอนัตตาเป็นปฏิกิริยาเท่านั้นเองคลื่นมันมีอยู่ในน้ําก่อนไหมไม่ค่ะไม่มีแต่เมื่อไรถ้ามีลมพูดมาคลื่นเกิดใช่ไหมอ่าต่างกันก็เกิดขึ้นแต่คลื่นไม่ใช่น้ําน้ําไม่ใช่คลื่น แต่ขึ้นก็อาศัยน้ำเกิดเพราะนั้นจิตไม่ใช่ควารู้สึกควารู้สึกไม่ใช่จิตแต่ความรู้สึกก็อาศัยจิตเกิดอันเดียวกันเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะเห็นว่าขบวนการการเกิดดับของรูป ก, ก้นน้ำก็คือขอบวนการที่เป็น Illusion เราไปสำคัญมันหมายอ l ลูว่าเป็นเราแต่นั้นเราจะรู้เรื่องนี้ด้วยความเข้าใจไม่ได้ด้วยความจา ไ, ไม่ได้เดี๋ยวมันลืม เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความรู้ตรงนี้ให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นม า, าการที่ความรู้อยู่นี้จะเกิดเป็นปัญญาได้ก็ต้องความรู้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นไงต้องมากพอมากพอเหมือนจะเอาน้ำเนี่ยมาใช้ปลูกนั่นปลูกนี่น้ําก็ต้องมากพอใช่ไหมถ้าน้อยก็ไม่พอความรู้ทุกคนมีอยู่แต่มันน้อยมันไม่พอใช้ไม่พอที่จะเจาะลึกเข้าไป นั่นั้ะถ้าเรียนศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเนะี่ยโอ้โหเราเห็นความจริงในะชีวิตของเรามากมายแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ดูความจริงอย่ น, นี้จิตของเรามันก็จะไม่ไปทางอื่นอะ่ะเพราะมันจะมาอยู่กับความจริงแต่ถ้าจิตของเรายังอ่อนวัยยังอ่อนปัญญาอยู่ปั๊บมันสู้กับไอความจริงตัวนี้ไม่ได้เหมือนเราไม่อใหญ่ทเขาไปสู่ไฟมันร้อนแต่ถ้าคนเป็นช่างไฟ <c oughs> มันไม่กลัว <c oughs> มันรู้จักวิธี <c oughs> รู้จักวิธีนะ นั่ น, นเราก็เราจึงมาใช้อย่างนี้เพื่อที่จะเป็นช่างของจิต <c oughs> เป็นช่างของจิตเขอเรียจิตเป็นจิตกิตวิยา <c oughs> จิตวิญญาณนะขอโทษแล้วจงพยายามทําสิ่งนี้ไปบ่อยๆซ้ำท่าซ้ำ ซ, ำซากบ่อยๆมันก็จะเกิดพลังเช่นตรงนี้เอาสมามติว่าบัถามนะตรงนี้ถามว่าตรงนี้มีความร้อนไหมฝ่ามือนี่มีความร้อนไม่มีใช่ไหมแต่พอมาจับ เสียสีกันบ่อยๆก็เกิดความร้อนก็เกิดขึ้นมาแต่เท่าก่อนหน้านี้ความร้อนตรงนี้ก็ไม่มีความร้อนตรงนี้พราะจับเสศีกันบ่อยๆเกิดความร้อนอย่างนี้เป็นต้นปฏิกิริยาเหมือนกันความรู้สึกตัวก็ดีรูปก็ดีถ้ามันต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่มีพลังปฏิกิริยาอะไรใช่ไหมถอจับมาเสศีกันบ่อยเข้าไปเข้าเศ ส, สีกันกา ร, การทำเลยรูปเกิดดับการเกิดดับที่มันเกิดดับบ่อยๆ เราเรี High quency, ยกไฮฟรีเค่คือความถี่แสงเงีเนี่ยที่มันนิ่งอยู่เนี่ยความถี่มันก็เกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมการกระพริบอะบริ้งเงี้ยตลอดเวลาแต่ถ้ามันบริ้งที่ความถี่ต่ําไฟจะเห็นในการพริบชัดเช่นเราเปิดแสงนีออนหน่อยใช่หมั๊บปั๊บ ป, ป, ปัพอความถี่มันเสื่ดับปั๊บแสงมันนิ่งเลยด้วยความถี่ที่มันเกิดดับที่สูงมากเนะี่ยเราไปสําคัญว่ามันมีอยู่ เราเห็นไฟเนี่ยสำคัญว่าแสงไฟนี่มีอยู่แต่ความแสงไฟนี่เกิดดับแต่ละเวลาแต่ความถี่มันสูงไฮฟรีเควนซีแต่เมื่อใดถ้าไฟตกเนี่ยนะความถี่เดวนี้ก็จะวัดความถี่ไฟก็จะเห็นการเกิดดับของมันเพราะฉะนั้นในช่วงของการศึกษาท่านจึงทําให้ช้าไว้ก่อนเพื่อเห็นการเกิดดับให้ชัดเจนก่อนว่าแต่ถ้าเราทําเร็วเนี่ยเราไม่เห็นการเกิดดับชัดเจนเราก็นึกว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่จริงแสงไฟนี่มีอยู่จริง แต่แสงไฟเกิดการความถี่ทางวัตถุเราถ้าเข้าใจความถี่ทางวัตถุก็คือไฮฟ์ดิโกนซีแต่ความถี่ที่เกิดจากจิตเนี่ยก็คือการเกิดดับเนี่ยมันก็สูงความถี่อย่างหลอดไฟเนี่ยวันไฟที่มันนิ่งอยู่างนี้ได้เนี่ยไฟดวงนี้มันจะต้องความถี่ต้องเท่าไหร่มันถึงไฟยิงจะนิ่งได้กี่ร้อยกี่พันครั้งต่อวิเยอะมากนะ น, นับได้เท่าไหร่ ได้ไฟนิ่งแคนีหแค่สามพันครั้งต่อวิจิ้วไฟแต่ถ้าเมาล่อไมันเหลือสองพันหรือหนึ่งพันขการเกิดดับไฟก็จะหลีลงแล้วก็กระพริบใช่ไหมว่าเคยอ่านทางด้านวิทยาศาสต ร, ร์ส0มพันสี่พันครั้งยิ่งความถี่สูงแล้วไฟก็ยิ่งสว่างขึ้นใช่ไหมจิตของเราก็เหมือนกันเราจึงมาสร้าง <c oughs> ความถี่สองอย่างหนึ่งความถี่ด้วยการ เป็นระบบสองความถี่ที่ไม่มีระบบนะความถี่ที่ไม่มีระบบก็เหมือนกับไฟมันช็อตเกินเกินความถี่มันสูงเกินไปไฟช็อตสายขาดแต่ความสิ่งก็เออสายไฟขณานี้นะความถี่ต้องสูงขนาดนี้นะีถ้าเกินคนนี้เขาจังมีลิมิตสองจุดหนึ่งสองสองเพื่อต้านทานความถี่ที่สูงที่ต่ำอันนี้มันเกี่ยวข้องเรื่องจิตได้ไงจิตเราก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเราสร้างตัวรู้ให้มีความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยจิตของเราก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ความถี่นี้ไม่ใช่ความถี่การเกิดดับของรูปนะอันนั้นอีกอย่างนะความถี่ที่เป็นการเกิดดับของรูปอีกแบบหนึง่งทำให้ร่างกายนี่ต่ก็มาจากการเกิดดับของนามนั่นแหละนะดังนั้นคนแต่ละคนจึงมีความไวไม่เท่ากันบางคนไวมากบางคนไวน้อยขึ้นอยู่กับความถี่ของ จิตของเราเนี่สูงหรือตำ่ำเรื่องนี้มันสัมพันธ์กันจึงไม่สามารถจะแยกพูดได้เพราะในส่วนที่เป็นรูปก็มีความถี่ของมันก็นึ่งมาจากนามแต่ความสีของรูปการเกิดดับของรูปของนามก็มาเป็นรูปต่างระดับเพราะฉะนั้นเฟืองนอกสุดมันถึงช้างเพราะฉะนั้นเราจะเคลื่อนไหวอย่างเราคิดแป๊บเดียวเนี่ยจิตไปถึง LA เอได้ใช่ไหมแต่ไกล ย, ยังอยู่ที่นี่อยู่เลย เนั้นกลวจะเข็นกายไปถึงเออเอได้เนี่ใช้เวลางหลายชั่วโมงใช่ไหมแต่ขณะเดียวจิตมันไปถึงเออเอไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วนับครั้งไม่ท้วน<ม>ความถี่ของจิตมันสูงกว่ากายมากอเราจะข้ามไปเมืองไทยเนี่ยมันแป๊บไปแล้วตั้งหลายพันกิโลแต่จะลากรูปตัวนี้ไปได้ถึงน้นได้เนะี่ยใช้เวลาก็ตั้ง<ม>เป็นวันยีบสี่ชั่วโมงนะความถี่มันมันต่างกันมากเลยแต่มันก็มาจากเดียวเดียวนี้แหละ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์มากนักวิทยาศาสตร์รู้ความถี่ระดับเดียวคือระดับรูปแต่ความถี่ระดับนำนักวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงจนกว่าจะมาปฏิบัติวิปัสนาเข้าใจตัวนี้ดังนั้นทุกเวลานาทีจึงให้ให้เฝ้าดูรูปดูนามดูการเคลื่อนไหวของกายเพื่อเพื่อที่ให้ความถี่ของจิตเนี่ยมันเป็นระบบที่แล้วมาความถี่ไม่เป็นระบบมันจะคิดอะไรก็คิดไปเลยใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะคอนโท o l ได้ แต่พอเรามาสร้างความถี่ของน้ำเนี่ยอาศัยรูปอาศัยการความช้าของรูปเนี่ยไปบงังคับไปสร้างระบบให้เกิดความถี่ของน้ําเป็นระบบต่อไปเราจะคิดก็มีระบบเราจะคิดอะไรเราจะไม่ให้คิดก็ได้ให้คิดก็ได้เราเริ่มสร้างระบบให้มันได้ใช่ไห ม, มแต่ถ้าเราไม่มาสร้างระบบของความถี่มาระดับกายเนใี่ยช้าที่ก่อนเราไปจัด ก, การกระจิตได้ไห ม, มไม่ได้นี่คือเพราะเหตุใดดึงจริงเรียนสมร t ถะ เพื่อให้เห็นการเกิดการเคลื่อนไหวของรูปชัดๆเพื่อจะเอาความชัดเจนของการรู้รูปไปปรับระบบความถี่ของนามซึ่งมันมีความถี่ที่สูงมากแต่ความสีที่สูงจนเกินแล้วร่างกายไม่เข้าไปไม่มีระบบเนี่ยร่างกายนี่นก็จะตึงจะเครียดจะเทนส์ในที่สุดมันก็จะระเบิดใช่ไหม <laughs> ระเบิดคือทุกอะทุกแล้วทุกอี๋มันระเบิดแล้วระเบิดอีกไง น, นั่นคือระเบิดแล้ว <laughs> พรามันควาถี่มันเกินมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยดังนั้นพอการเจริญนิพพานาแบบนี้ก็คือมาลดความถี่ของจิตเพื่อให้มาบาลานซ์กับความถี่ของกายเราจึงช้าลงเห็นภาพไหมเห็นนะเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้จึงอยากจะให้เราอย่าประมาทในการเคลื่อนไหว อย่ามาในการเข้าแล้วอย่าไปยึดติดตําราเล่มไหนอาจารย์อะไรทั้งนั้นแต่ความจริงที่ปรากฏขณะเนี้เราต้องสัมผัส ด, ด้วยความจริงอามามีหน้าที่ชี้ให้ดูเท่านั้นเองแล้วอย่ามาติดกับอาจารย์นะ อ, อาจารย์ฉันว่าอย่างงี้นะผิดจากนี้ไม่ได้นะไม่ได้อันนั้นไม่ถูกแต่เราเอาความจริงเป็นหลักอือเอาจริงเป็นหลักเราสัมผัสได้ไหมในสิ่งที่เราเนี่ยสัมผัสได้ไห เพราะนการขยับขับเคลื่อนแต่ละครั้งมันมีในแย่มีความหมายมากเลยเนี่ยวันวันหนึ่งเราขยับร่างกายทิ้งไปรู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งน่าเสียดายไหมมหาศาลเลยนะที่เราทิ้งไปเนี่ยแต่พอเรามาจับการเคลื่อนไหวให้ชัดเจนเนี่ยมันปรับปรับระบบความผีของกายกับใจจูดหัวหากันละนี่นะแต่ถ้าพลิบป๊๊อปป๊โดยที่ไม่กําหนดเลยนี่ยหมายความมันไหลตามความผีของจิตหมดไม่สามารถปรับระบบได้เลย โอ้โหถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันสบายจังนานแล้วด็เตยสำรอง <laughs> ให้มันทําการอาจารย์มันทำการเอามาถึงเสียดายคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายที่เขาคืออยากจะให้เขามารู้เรื่องนี้แล้วเขาจะมีเขาจะเป็นคนที่สร้างโลกสร้างความหวังสร้างอะไรให้กับชีวิตมากมายแต่ว่ามันเสียดายเพราะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะมีพลังในการที่จะสร้างสารรค์อะไรอย่าง นั้นเองการที่มาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาบัญอาสมสิล์นี่เอามาว่าต้องการที่จะดึงคนุงคุณสาว ม, มาศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครอธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องนี้เขายังไม่สนใจวันๆเอาแต่กินแต่เล่นแต่สนุกสนานการเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้านับเป็นขึ้นความถีเนี่ยโอ้สูญเสียมหาศาลเลยแต่ถ้าสมมติเริ่มเข้าใจเห็นแจ้งการคขันถีแต่ละครั้งที่การเคลื่อนกันไหวอ ย, อย่างรู้สึกจิตจะถูกจัดระบบ เป็นทิศเป็นทางแล้วมันจะมีพลังมหาศาลเหมือนกับน้ำฝนที่ตกมาเมื่อก่อนไม่มีเขื่อนใช่ไหมมันก็รวมก็ไหลลงไปทะเลหมดไม่ได้ประโยชน์พอมีนักวิทยาศาสตร์ตัดสู้ขึ้นมาเรื่องวัตถุสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับเขื่อนเก็บกักน้ำขึ้นมาพอเก็บเม็ดฝนที่มันตกลงมาได้ระดับหนึ่งก็เอาเครื่องมอนิเตอร์เข้าไปติดตั้งปั่นออกมาเป็นไฟได้ประโยชน์มหาศาลเลย ชันใดก็ดีเมือ่อด้านด้านานานมธรรมเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าพระประเจวพุทธเจ้ า, จามาตัดสอนการเคลื่อนไหวการเกิดดับทั้งหมดของกายของจิตของมนุษย์กลายเป็นทะเลของความทุกข์เพราะมันไหลลงไปสู่ทะเลความทุกข์ทะเลกิเลสทั้งหมดเป็นโอคาสงสารแต่พุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ละองค์นะมาบอกเออคุณอย่าปล่อยให้มันฝนตกมาอย่าให้มันปล่อยทิ้งไว้เฉยเลยคุณสร้างเขื่อนดิ นั่นหมายความว่าเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยสร้างเขื่อนขึ้นมากั้นเอาไว้ไม่ให้มันไหลไปตามความคิดกั้นให้มันอยู่ในรูปก็โดยเขื่อนด้วยนั้นคืออะไรเอาอะไรมากั้นสติเดสังนิวารณังถ้าจะ ก, กั้นแล้วเอาสติมากั้นเราถึงมาสร้างตัวสติเป็นสันเขื่อนเพื่อกั้นให้เวทนาไม่ให้ไหลไปตามตัวอวิชชา อู้เรื่องนี้เั็นี้ยละเอียดสูงเยอะมากเลยแต่เราค่อยมาแจ้งให้เห็นชัดทีละอย่างละอย่างไปแล้วค่อยๆทําไปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มาไม่ได้ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับ น, นักปฏิบัติที่ไม่จริงเนี่ยไม่ตั้งใจมันเสียเวลาแต่ถ้าคนจริงนะมาเรียนตัวต่อ ต, ต, ตัวคนเดียวตั้งใจจริงๆก็พอใจแล้วแต่มันสีห้าคนเนี่ยผมก็ถือว่าเออแต่ขอให้ศึกษาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแล้วเป็นเรื่อง เรื่องเข้าใจได้อะทุกคนเรียนได้แต่ว่าเขาจะรักที่จะเรียนไหมเขาจริงใจที่จะศึกษาไ่ยตรงนี้สําคัญนะดังนั้นเองอะมาก็เลยต้องต้องบอกเรื่องนี้ที่คนที่เขาศรัทธาคนที่เขาไม่ศรัทธาคนที่เขาว่าาเขรู้แล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยเข้าไปไม่ช่วยแล้วเขาได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปตามเรื่องของเขาแต่ว่ามันจะมีผลตัดสินว่าสิ่งที่เขารู้มันสูงมันทุกตรงเถอะเขามีปัญหามากปัญหาน้อยเท่านี้เขาทุกมากทุกน้อย ถ้าทุกมากมีปัญหามากทุกน้อยมีปัญหาน้อยไม่ทุกไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็ได้กับใครไม่เคยขัดแย้งไม่เคยถ้าเราบอกว่าขัดแย้งถกเถียงอะไรกัใครออถือว่าแสดงรู้ถูกแต่ยังอัอดขัดเคลืงอย่างมโนี้แสดงรู้ผิดถ้าไม่แก้มก็จะเป็นอย่างงั้นตลอดชีวิตอหะแล้วใครจะช่วยเขาได้อันนี้คือความต่างนะดังนั้นให้เราเข้าใจหลักข้อความจริงอย่างนี้ชนิดนี้ไว้ก่อนแล้วตามดูให้ถูก เอานาดนี้ตามดูการเคลื่อนไหวนะตามดูความรู้สึกนะตามดูเคลื่อนไหวเล็กเคลื่อนไหวใหญ่เคลื่อนไหวนะตามดูเพื่อการสิ่งที่เราตามดูนี้มันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกตัวที่ถูกต้องความรู้สึกตัวที่ต้องนี้มันก็จะไปจัดระบบของจิตจัดระบบความถี่จัดสรรความถี่ของจิตเอาความถี่ในะอากาศมาจัดสรรขายแบบนะักนวะินะทยาศาสตร์งหลาจะเป็นขื้นวิทยุขึ้นโทรทัศน์ขึ้นอะไรต่างๆออกมา ขายขายความถี่ในอากาศของธรรมชาติใช่ไหมนี่คือความเทคโนโลยีก้าวหน้าทางด้านวัตถุใช่ไหมมันไประดับนั้นแตนน่ด้านจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่สรู้มาสองพันกว่าปีเกิดพระอรหันต์เพียงไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้จะเอาขึ้นความถี่ของจิตมาพัฒนาให้เป็นตัวระบบเพื่อควบคุมการใช้ของจิตมันยังมีไม่มากเพะระอรหันต์เกิดน้อยมากแล้วพระอรหันต์ที่เกิดแล้วพะระอรหันต์ที่จะมีอภิญญามีอะไรรู้แจ้งนี้ชัดๆก็หายากนะเจ้ามาก ดังนั้นเองเราอย่าละเลยเรื่องนี้การที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมารู้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันจะต้องมีที่ไปที่มาแต่คนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยไม่ใส่ใจเรื่องเลยเสียดายเสียดายในชาติความเป็นชีวิตมนุษย์ของเขามันครบทุกอย่างมีจิตวิญ ญ, ญาณมีสมองมอีความต้านทานอะไรต่างๆสูงเพราะนั้นจะว่าเขาไม่สนใจก็ไม่ได้แต่ว่า การยานามิตรผู้ที่จะชี้นำมันน้อยไปเขาก็ต้องแสวงหาใช่ต้องแสวงหาถูกบ้างผิดบ้างก็ก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญบรารมีของเราหละทีนี้ถ้าบุญบรารมีเราสร้างมาไม่ดีไปเจอถูกเจอหลอกเจออะไรก็ว่าไปสับสนทรานั้นในช่วงระยะสามสี่วันนีจึงเป็นช่วงที่สำคัญเราจะเรียนรู้การความจริงจากการปฏิบัติ ทำไปรู้ไปเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแต่ละขณะนั้นมีความหมายในการที่สั่งสมตัวรู้เพื่อที่จะจัดระบบที่ จ, จัดการความคิดจะเคลื่อนไหวมากเคลื่อนไหวน้อย ใ, ใ, ให้มีเจตนาให้รู้การก้าวการไปไรต่างๆแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนมันเพลินไม่รู้ทันปั๊บก็กระตุกหยุดก่อนวตั้งสติใหม่แล้วค่อยไปใหม่ช่วงไหนมันเพลิปั๊บตั้งสติใหม่ ก, ก็ไม่ไปวิตกอะไรกับมันมันก็เราเผอมาตลอดชีวิตแล้วเรื่องอะไรเราจะไม่เผออีกก็ต้องเผออยู่ดีแต่จะทําให้มันลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรืเอยๆแต่พวกเยาวชนที่พอเพิ่งเกิดเนี่ยเขาจะเขารู้เรื่องนี้เขาจะเผอน้อยลงเรื่อยๆชีวิตเขาจะเป็นแสงสว่างของโลกของสังคมต่อไปได้ซึ่งเราก็ต้องช่วยให้กํบบาลังใจลูกหลานของเราที่เขาสนใจเรื่องนี้ค่อยบอกไปดังนั้นการ มาศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งวิเศษมากแต่มันจะวิเศษหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เก็บเกี่ยวต่อการเคลื่อนไหวชีวิตของเราเนี่ยให้ชัดเจนแค่ไหนได้จัดระบบการเคลื่อนการไหวเนี่ยให้ถูกต้องแค่ไหนแต่ถ้าหาเราไปตั้งใจที่จะกาหนดรู้ตามรู้เกินไปอย่างจริงจังนะผิดีะ เ, เพราะอะไรเพราะมันเป็นความอยากมันจะก่อให้เกิดความเครียด แต่ว่าเราเจตนาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการทําความเข้าใจเอาใจใส่เเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวนั้มันดีนั้มันดีอย่างไรชั้นลองศึกษาเปิดใจรับเปิดใจเรียนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนเปิดตัวเองโอกาสที่จะเข้าสิ่งธรรมมีแต่ว่าเออชั้นแน่นอนนะชั้นเชื่ออย่างนี้อย่างนั้นชั้นดับไม่ได้นี่นปิดหมดเลยโอกาสที่จะเข้าถึง ดังนั้นต้องเปิดใจเอาไว้เพื่อศึกษาอะไรก็ตาม <c oughs> เพื่อให้เราได้สัมผัสอะไรที่หลายๆอย่างนะเอามาได้เปรียบเทียบอยู่เสมอว่าเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยทําไมเราจึงมีหลายอย่างด้วยกันเ ม, น, มนูนู่นเมนูนี้แต่สมมุติว่าอันนี้มันถูกทาดอร่อยทําไมไม่กินเมนูนี้ทุกวันนะเมนูเดียวพอพ่ออะไรยงสีนวลมันเป็ความเบื่อหน่าย <c oughs> นั่นใช่ก็มันอร่อยแล้วไปเบื่อไหนได้ไง เพราะธรรมชาติว่าจิตใจร่างกายของเราต้องการธาตุอาหารที่ครบถ้วนร่างกายสั่งมาร่างกายสั่งมาใช่ไหมใช่เขาธรรมชาติเขาสั่งมาว่าเขาต้องกินนั้นว่เพราะมันนิดธาตุอาหารเหมือนกันจิตของเราเนี่ยต้องเปิดรับรู้อะไรหลายอย่างเพื่อต้องการธาตุแห่งธรรมที่ครบถ้วนเมื่อธาตุแห่งธรรมที่ครบถ้วนการรู้แจ้งถึงสภาวะธรรมมันจะกว้างขวางออกไปได้ครบถ้วน เพรนั้นเองจุน๊นี่ว่าทําไมต้องรู้หลายๆด้านในแง่ของร่างกายของเรารูปรูปบางรูปน้ําบางรูปกายบ้างรู้จิตบางรูปอวัยวะชนนู้นชนนีน้มันจะสร้างธรรมธาตุของมันเองถ้ายจะไปเพ่งรู้ลมอย่างเดียวมันก็ได้แค่กินอาหารมเมนูเดียวคนละแต่เฉพาะเรื่องกายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสร้างไว้ถึงหกเมนูอะคุณสํารองเคยได้ยินไหมอาหารของจิตในเฉพาะในส่ว น, นรูปนี้มีถึงหเมนูเมนูที่หนึ่งคืออะไร ก็สวดไปเมื่อกี้ตาอะไสวดไปเมื่อกี้ห ย, ยกหยเนี่ยไม่ใช่คนละอย่างอ น, นั้นเมนูที่1่กายานุปสวิหารติรอ่าที่ปทานเมนูที่1คืออาณาปานสติเมนูที่2คืออิริบทสเมนูที่สามคืออิริบทย่อยเมนูที่4ี่คือธาตุสี่เมนูที่ห้าคืออาการ3ามสอง เมนูที่หกคืออาซุภะให้ดูให้ทั่วให้ท่วนถ้าคนไหนไปจมปักเมนูอะไรหนึ่งนั้นก็จะทําให้เราทานอาหารทางรูรูน้ำไม่ครบอ่าการรูรูปน้าของเราก็ไม่ชัดแต่ทีนี้เราจะทําไงบูรณาการเมนูทั้งหให้เหลือเมนูเดียวอ <c oughs> อันนี้มีอย่างนั้นได้นะว่ากินทีได้อย่างมันลำบากเอามาทําเป็นเมนูเดียวใชนะ่ไหม เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นอาหารเมร็ดใช่ไหมกินอาหารนี้เม็ดเดียวไหมเกว่าอาหารครบ<อ>ทุกทุกธาตุเอาทุกธาตุม า, ผส ม, าผสมกันผสมกันลงในแคปซูลอ่าลงแคปซูลนั่น <S <S นะเห็นไหมอันนี้ก็มีวิธีการอันนี้วิธีวทยาศาสตร์สําหรับคนรู้วิทยาศาสตร์ทําได้แต่คนไม่รู้วิทยาศาสตร์ก็ต้องกินทีละอย่างอย่างบ้านเราเนะี่ยเป็นเมนูนะนก็ทําไปเพราะงั้นเราก็จับกรรมฐานใดใดหนึ่งที่สามารถบูรณาการหรือว่าสามารถผสมสานอย่างอื่นเข้ามาได้ก็เอ า, า, า, าตัวนั้นแหละ เพราะนั้นเราเชื่อว่ากาันวิธีการเคลื่อนไหวของเราสามารถดึงเอาไอ้อาานาปันสติหายใจเข้าไปก็ได้ดึงเอาดีบุตย่อยเข้าไปก็ได้ดึงเอาธาตุสีเข้าไปก็ได้ดึงเอาอาการสามสิสองเข้าไปก็ได้ดึงเอาอสุภะเข้าไปก็ได้อสุภะนี่ไม่ใช่ไปเพ่งพิจรารณาซากศพตามปา่าช้าหรือโครงกระดูนะนะอันนั้นอันนันอสุภะแบบธรรมะแต่อสุภะแบบพูดเนี่ยโห เยอะแยไปหมดใช่ไหมกินแล้วไม่ได้แปรงฟันก็อสุภาแล้วตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าอสุภาแล้วเข้าห้องน้ํำมั่งส้มเห็นอาสุภาเยอะแยะไปหมดเอาหน้าเอาท่าให้มันตลอดทุกวันอสุภาล้างอสุภาแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นอสุภาษดูไปบ่อยเข้าเบื่อเข้าก็น้าเบื่อหน่ายไม่ร่างกายต้องชำระสะสางร่างช่วยต้องตกต้องแต่งอย่างนู้นอย่างแทบตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นว่าเป็นอาสุภาเราเห็นว่าเป็นอะไรเห็นเป็นสุภาหมด กูจะสวยอย่างนี้กูจะงามอย่างนี้กูจะหล่อยอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้มันก็เห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นถ้าเห็นในสุภาพสิ่งนี้หน้าเบื่อไหนเราเทคแคร์ดูแลมันมาตลอดชีวิตแล้วก็จะเหนื่อยมันอีกไปนานเท่าไหร่เนี <c> ่ย <oughs> ใช่ไหมหาใส่ให้มันท้องใส่ใส่ใส่ของเราอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดเวลาได้ทนะีเนี่ยเอออสุภาพทั้งนั้นเลยขี้มูขี้ปากขี้ดังขี้ตาขี้หูไหลเอาตลอดเวลาต้องคอยเช็ดคอยแก่คอยเกาคอยล้าง ล เ, เวลาโอ้พอพิจารณางี้มันจะยึดติดเป็นไหมน้อยลงฮะ น, งงน้อยลงเรื่อยๆน้อยล ง, ยงเรื่อยๆเนี่ยก็ดีนะดีมันลดน้อยลงฉะนั้นให้เอาเรื่องนี้ไปศึกษาไปพิจารณาแล้วมันจะง่ายขึ้นอย่าทิ้งต่อการเดินแต่ละก้าวเก็บเดินไปสิบก้าเก็บได้สักสามก้าวก็ยังดีใช่ไหมอันนี้สิบก้าฟรีหมดเลย เ <laughs> ม่ได้สก้าเลยรูดไปเลยเลยสกาใช่ไหมไอ้ไทยไอ่าเพราะงั้นวันนี้รูปเก็บแล้วนะอย่างน้อยสิบก้านี่ถือเอาจากกี้ก้า ด, ดีที่จะได้ไอ้สองเพ่นนั่ น, น่ะ <laughs> โอ้ยทไม <laughs> เอาน้อย <laughs> <laughs> เวลาไปสอบนี่โอ้ร้ อ, อยหนึ่งผมก็แค่ยี่สิบอ่าอช่ไหมอันนี้มันจะเอาใช่ไหมแต่แต่เอาทางทางนั้นจะจะเอาทางทรเอาแค่สองใช่ไ อ่ยากอ่ยากไม่ยากหรอกแต่ยังไม่เข้าใจถึงผลอันนี้สูงมันเท่านั้นเองแต่แล้วสอบเนี่ยอย่าว่าแต่แปสิบอย่างเก้าสิบก็ยิ่งดีเก้าสิบเก้ายิ่งดีมเพราะเราเห็นอันนี้สูงว่ามันจะทําให้เราได้ชื่อได้เสียงได้หน้าได้ตาได้ยศได้สักได้เงินได้ทองได้ตําแหน่งได้อะไรมันเห็นนะใช่ไหมถ้าเรียนเก่งได้เสื่อเรืองเราจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าเอ๊ะถ้าเรามารู้เรื่องนี้แล้วมันจะได้อะไร คนที่มีปัญญาไม่พอเขายังไม่เห็นดวงใจอย่างสีนวลเนี่ยยมสีนวปัญญาพอแล้วถ้าเราทำทางสมนื่นอยๆมันจะได้อะไรทางสมรู้รู้ให้เยอะไว้ก่อนมันจะได้ล อ, อันนี้สง ม, มันที่ยยมสัมผัสได้อะ่ะก็จะรู้มีอะไรถึงอ่ะจะรู้แล้วก็ก็จะตัดแล้วก็อย่างไม่อันนี้ส์ที่มันเป็นเนื้อๆชัดๆว่านปลายมันมันเป็นอะไรที่เราจะได้ก็ทุกมันก็จะไม่มีเนี่ยมันก็น้อยไม่มีควา ม, มทุก มีความสงบ <ฮะ S 1> มีความสุขมีความผ่อนคลายมีความไม่เล่าร้อนดีอะไรจะนี้อันนิสงใช่ไหม <ฮะ S 1> แต่คนที่มีปัญญาจะมองเห็นอนนิสงหรือนี่ไหมคนที่มีปัญญาทั่วไปจะไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะไม่เห็นยังไม่เห็น ท, ทั้งที่มีปัญญานะะ เ, นเพราะเป็นปัญญาทางโลกจะมองไม่เห็นอันนี้เหมือนกันแต่เมื่อไรเวลาเขาทุกข์ลงมาทําไมเขาวิ่งหนีทุกข์อ่ะเขากลัวทุกข์อ่ะเขาวิ่งหาความสงบอ่ะ ทังท่านนี้เขาไม่รู้อ่ะเห็นไหมชาติธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติที่ต้องการอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองโอ้เวลาทุกมาโอ้ไม่รู้ท่านจะไปไหนที่จะหมดทุกเสี้ทีเวลาป่วยขึ้นมาเออเมื่อ ไ, ไหร่นะฉันจะหายเขาต้องการอนะ่ะแต่เขาไม่รู้เขาเวลากลุ้มใจขึ้นมาเวลาหายกลุ้มไม่ดีต้องการเนี่ยต้องการสงบต้องการส่างแต่เขาไม่รู้วิธีการดังนั้นวันนี้เราเราเริ่มรู้ละตกลงว่าใน ตอนนี้พูดถึงเรื่องผลของการเกิดดับจากหน่วยเล็กที่สุดคือนามนะจนมาสะท้อนให้เป็นการเกิดดับที่หน่วยใหญ่ที่สุดคือรูปนับตั้งแต่ภาพตาก็เกิดเป็นเรื่องของการเกิดดับหายใจเข้าก็เรื่องของการเกิดดับใช่ไหมหนักบ้างเ บ, บาบ้างต้องการเกิดดับไหมใช่ไหม ตลอดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่กระบวนการเกิดดับแต่เราจะมองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเมื่อเห็นชีวิตนี้เป็นกระบวนการเกิดดับเราจะหลงมันไห ม, ไมก็ไม่หลงเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่มันคือกระบวนการธรรมชาติที่เกิดและดับแต่เราบริหารมันใช้ได้ใช่ไหมบริหารความถี่น้ำไหลลงมาเนี่ยถทำมันไหลไปเรื่อยๆไปปั่นมอนิเตอร์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นให้มันไหลให้แรงที่สุดเพื่อให้มันมีแรงพอที่ไปปั่นมอนิเตอร์ได้ ความถี่ที่เราบริหารได้ให้มันมีความถี่ที่สูงขึ้นปรับระบบให้ดีมันจะไปไหลผ่านให้จิตที่เกาไปเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมานี่คือประโยชน์ของมันที่มารู้เรื่องนี้นะคือเพิ่มได้ลดได้แต่น้ําที่มันไหลเอ่ยๆนี่มันเพิ่มไม่ได้รู้แต่แต่น้ําไปขังเขื่อนขนาดใหญ่นะสูงๆนะสามารถที่จะให้ความถี่ปั่นไฟเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมจากไฟแรงสูงแรงดับได้เลย เหมือนกันที่เราสั่งสมความรู้สึกตัวให้มีความถี่ที่สูงเนี่ยเราสามารถจะสร้างภูมิปัญญาได้สว่างสวยขนาดไหนก็ได้อืออ๋อเขาบอกสัพเพธรรมาอนัตตางเงี้ยทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตางก็บอกเออมันก็ไม่มีตัวแต่เรามันก็มันสร้างมันขึ้นมาอือเป็นก็เป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับการเกิดกับการดับเนี่ยถ้าไม่มีการเกิดการดับมันมีอะไรไหมไม่มี ไม่มีเออวันวันพวกอัตตาที่คือมายาของการเกิดดับไม่มีตัวตนเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้ น, นมีรูปเพราะไม่มีนม้ำก็รูป ก, ก็อยู่ไม่ได้มีน้ำถ้ามีไม่ีรูปน้ำก็อยู่ไม่ได้นั้นไม่มีตัวแล้วรูปนี้ชีวิตก็เป็นมายาเป็น illusion ใช่ไหมเป็น illusion ของการเกิดดับทั้งนั้นเองดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้เราวิเคราะห์ออกันเรื่องนี้ โยมพิมพ์พอจะเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้พิกนี่รู้นะอะไรเกิดอะไรดับเนี่ยรู้เช่ไหมอะไรเกิดขึ้นความสบายเกิดขึ้นใช่ไหมความไม่สบายหายไปใช่ไหมความทุกข์หายไปนั่นต้องทตามรู้อย่างนี้นะพิกไปเฉยๆไม่รู้อีกครั้งไม่รู้เลยว่ามันอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นให้ตามรู้ด้วยรู้เฉยๆเนี่ยอ๋อนี่ความไม่สบายหายไปนะความสบายเกิดขึ้นนะโอ้กูรำคาญเหลือเกินพิกตั้งหลายครั้งวันใดจะหมดทีนี้ อันนี้เกิดเหมือนกันเนะี่เกิดอะไเกิด น, นา ม, มารูปเหตุของทุกเกิดขึ้นแล้วอ๋อปวดไม่สบายก็พลิกกั น, นเองอันนี้รูปนามรู้รูปนามคือรู้อย่างนี้รู้สิ่งที่กําลังเป็นไปขณะขณะขณะแต่ถ้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมอันนั้นไม่ใช่รูปนามนะ น, นั่นก็เรียกว่ายังไม่รู้ถ้ารู้ไหมายความมันจะรู้ไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่ก็รู้ออกไปข้างนอกก็รู้ยืนไหก็รู้อะไรจะล้มตัวนอนก็รู้รู้กัน รูู้ปนามก็คือรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆร้อยหนึ่งรู้ได้ยี่ห้ารูปนามเบิ้งต้นพิกร้อยครั้งรู้ได้ถึง50สิบครั้งรูปนามขั้นกลางพิกร้อยครั้งรู้ได้ถึง80ดสิครั้งรูปนามขั้นสูงพิกร้อยครั้งรู้ถึงร้อยครั้งรูปนามขั้นสูงสุดสามารถไปสู่นิพานได้เลยเจาะก็เฉพาะรูปนามเนี่ไปสู่อารมณ์นิพานได้เลยแต่ขึ้นอยู่เปอร์เซ็นต์ของการตามรู้ในใจสูงแค่ไหน ที่มาบอกว่ามื่กี้จะรู้ดินเนี่ยในบริเวณเนี่ยมันมีอะไรบ้างเจาะไปที่เดียวก็พอเราไมนจะรู้ทุกทที่ต้องรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่วันเดียวรู้เต็อร์เซนหมายความว่าเป็นอัตโนมัติแค่เจ็ดสิบเอร์เซนขึ้นไปเนี่อรู้ปรมัติแล้วแต่ห้าสิบห้าสิบเนี่บางทียังปรามัดยังรู้เป็นปรามัดหมายความมันรู้ของมันเองโดยที่ไม่ต้องพยายามจะไปรู้แต่ในช่วงอยู่ในขั้นรูปนามเราต้องช่วยให้มันรู้กระตุ้นให้มันรู้มันถึงจะรู้ แต่พอเป็นปรมามัดแล้วมันออโต้และเพอระบบวัตถุค็มีสองใช่ไหมแมนู Menu, ต้องต้องจัดการให้มันเกิดแต่เป็นออโต้แล้วมันเซตระบบของมันเองเหมือนกับตัวรู้ที่เป็นปรมามนะัดมันเซตออโต้ของมันเองเราไม่ต้องไปตามรู้แต่มันรู้เองเข้าใจได้ไหม